อยู่ต่อหน้าใครแล้วเป็นทุกข์ให้ฝึกรู้ว่าทุกข์ไม่เที่ยงแล้วสติจะไม่ถูกครอบงำเมื่อใครบางคนผ่านมากระทบหูกระทบตาคุณแล้วคุณรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งก่อตัวขึ้นครอบงำใจหรืออาจเกิดแรงดันแปลกๆให้นึกอยากพูดอยากทำอะไรแปลกๆปฏิกิริยาทางความรู้สึกนึกคิดแตกต่างจากตอนอยู่กับคนอื่น แปลว่าเขาหรือเธอมีอิทธิพลทางใจกับคุณแน่คุณสามารถอาศัยคนคนนั้นเป็นตัวตั้งในการทำความเข้าใจตนเองตลอดจนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้ลึกซึ้งขึ้นเช่นพอเขาหรือเธอปรากฏตัวเข้าหูเข้าตาแล้วคุณรู้สึกคล้ายสติสตางถูกสกัดกั้นอย่าพยายามเรียกสภาพปกติกลับคืนมาเพราะอาการพยายามนั้น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 เพราะอยู่ต่อหน้าใครอีกคุณจะไม่ถูกครอบงำสติด้วยการอยู่ต่อหน้าคนคนนั้นเพราะมีจุดสังเกตเพื่อเรียกสติเมื่อสติดีขึ้นในสถานการณ์ผิดปกติจิตของคุณจะฉลาดขึ้นเห็นความสัมพันธ์ต่างๆกระจ่างขึ้นเห็นว่าแรงดันที่ให้เกิดราคาก็ดีเห็นว่าแรงดันที่ให้เกิดโทสะก็ดีไม่ได้เกิดขึ้นเองลอยๆแต่ล้วนมีที่มาที่ไป อาจเกิดจากพลังบวกพลังลบในตัวเขาอาจเกิดจากความสัมพันธ์เชิงบวกเชิงลบระหว่างคุณกับเขาอาจเกิดจากอะไรบางอย่างที่คุณจำไม่ได้รู้ไม่ชัดทราบแต่ว่ามีความเป็นบวกเป็นลบอยู่จริงระหว่างคุณกับเขาจะอย่างไรก็ตามเมื่อมีสติอยู่ในสถานการณ์ผิดปกติคุณจะรู้สึกว่าตัวเองควบคุมสถานการณ์ได้จะยกระดับให้ดีขึ้น หรือจะลดระดับให้แย่ลงก็สุดแล้วแตดใจ